แ็นสวดนั้นของแรนความดาบดิฉะนั้นมันสวัรดิ์จุดให้ทเทวะเจนสิพื่อของผมเป็ของจัดใช้ได้โดยจะจับอะไ ร, ระกร็ตามเป็นเท่ที่ให้เนดาบเสีอขัน้นไส่แต่ว่าเสขั้ไส่มันสวัเป็นถึงที่ทมีฤทธิ์เดชอนุภาพ ใครนั้นซึ่งได้ทำเชื่อว่าระสมละคนละคนหนึ่งเช่นหลายบ้างอ่านที่ละเอียดคิดนั้นเอามาทำให้เป็นเสียแผ่นชทยลคนในชั้นโบราณหรือสุเทวีนายจาร์เขาที่สถทบัส่วนที่ว่าให้เป็นเสียแผ่ใชัตัดจัดแตขาดและอานาจซึ่งได้ใจจชนะจากนาน จับอยากจัดโขจักงานอยากคือเชื่อโกชาความโลภหมดเลื่มยอมทือังความเชื่อกวกับพรุทธเจ้านี้ไม่ต้งองเรียนธรรมงานือวอยากอยากคือมานพิชชาอรก็ไม่ฟังเพราะว่าเขาว่าพิชชาดีตระบะของเขาดีหรือกายสิติของเขาดีดาบหรกันชัยเขาก็มี ขวัญใช่ขวัญข้าผ่าหรือใช่ขวัญเรานี้ยแคลมบาศสกนกวดีหรือเป็นรื่อเง้ยเป็นเพื่อนของราชการแต่แล้วก็ไม่ใชเหมือนพระโพธิสัตว์ของพระโพธิสัตว์สีคันไซเ็นเสีแ่กราเป็นสน่วนหนึ่งของที่ว่าตัดตัดอย น, น่นัน้นให้ใส่เป็นพันสาเปตัดไปจะเลเ็กเล็กหน่อย กันสว่าสุดท้ายได้เป็นพุติเจ้านางเสีศักยะมูนีโคดมบรมโูหรือที่ใช้นามราชพิทักษาเจ้าชายสุทธักษราชาโกมารมีสียกันใจเตะเทียมพระองค์ในวางออกสู่เพ่นิลมั้นในหลังมากเจ้าพ่อพระรามหกขันธนะอมมาดยึดถางมา จัดพระโรกบาลทั้งสีทะทะาา่กษัตริย์ธาตุเวิโรหาวโปรปัสวาคูเบโลสีพรองจอมเจ็บมากเจ้าม้าทั้งสี่เส่นพระยินฐาเรลาร์จิงบงังแหนออกหน้ามาหาตอมทั้งสัดแวดล้อมด้วยแควดามบ้านกรมทั้งหลายหยัดยัดจักวันม้าสะเด็ดทางอากาศเนือสะเด็ดออกประตูที่เยียงวังพุง ส่วนหนึ่งของกบฎินทรภัทรถ้นจากแฉะแล้วหรือเฉะสบาลแล้วประตูมเศที่สี่แสนคนสื่กำลังสี่แสนทหารเพียงปลดออกถึงเช่นนั้นส่งขึ้นที่แปดกอะพระรชาช า, าพิรายเจ้ากรุงศรีละทินิตเถโทธนามหาลาร้างเกียรตมาให้ตายที่ จ, ะจะักรราชกุ ม, มาร ะสสจะทรงจัดเจ้าเรืยงรับจัดเสียตลากดาบสมบัติใสเป็นพุติจารแต่แล้วหรือสุทโธชนะมีหลังจะให้เปลี่ยนพระเจ้าจากักรพรรดิเองเท่ารอมจะไม่ให้มีบุคคลใดสมมติเมืะมือเจ็ดมหาสมุทรสาปกเป็นขอบเชดขุมเงินขุมทองขุมทองคาถุนแก้วมันชด เรืออะไรเปี่ยนกาดยึกขึ้นไปสุดเท่าปทัทธรนี้แผ่นดินหนาสองแสนเซนเมตรยอดยอดพญะยอดหนึ่งเซนลอยเส้นหนาเท่าไรขุมทองเลึอกล่วงไปเท่านั้นอาจจะมาเป็นทานแจกหงมันล้วนหรือสตร์ทาหลายเป็นประจันอำนาจเขาเจ้าจากักรพรรดิหรืเจ้าจอมจักรพรทดิราชผู้มี์ยัดยิ่งอาจ หรืออำนาจชั่วจักรวาลหลังนี้แต่พระไทยพระองค์ใหม่ศาสนาเพราะจักรพรรดิราชชาติไหนพบไหนไปได้มาไม่เวียนวางจนที่เกียดแล้วจะเป็นเจ้าจักรวาลหรือมหาจุตนาราชภูบาลจิ่งเข้าไปพระองค์ก็ยังเิละยิ่งอำนาจใหญ่ จุดขอบ ว, าาวา้าจักรวาลพระอินทพระมมาสวยองถึงป่านนั่งบรมีโค้งได้รับแลกาขาละนอนขาละนันดอนเฉงเครื่องนั้นแต่แล้วประไม่คือว่าไม่ค่มเหมือนดังที่บรมีบรมีมีจิตใจที่วาจบพรมจันทร์หันจะเป็นอรหรันตั้งสุดท้ายจะเป็นอยู่ัญญาณการสรนพาพุทธเจ้า ผู้พิเศษยิ่งใหญ่ในเมือโลอกระท่จาจักรวาลจักวันไหลจะเป็นนไม่มีเท่าอะไรจะเสมอเหมือนไม่มีหรือพระพรมพระเย็นหรือเทวดานาคฤตุมพันธ์น่รอบรอบ้อมน้าแต่ประาดแทนท้าแทนดินเมืมิดิไปสูตรในทิศบรพาน้าจักรดอกของแม่น้ำ อาณมาณทีจากภูมิเลาผัาไปสามสุดยอดถึงเทนั้นจึงลงมาพระรามหกแลกวาดกองสายขึ้นสงอธิษฐานจงแนาอาหมตดกับเจ้าพ่อพรรมหกกลับเพื่อ น, นำข่าวสารอาการของขาวสกยราชหรือขาวสกยวองไม่ให้เจ้าสอบว่าเราเป้าองผู้ปกครอง ถ้าพนดูแปลนพระเจ้าหรือคนสักบอกว่าะ น, นนะหนาจะเป็นคนทุกข์ยากลา บ, บากสักวันใดเองกระดูกจะขาดไปปว่าตาจะอยู่ในทะเลกระดานจะไม่มีอาหารอะไรจะกินใครไม่ได้กระด็นตาถ้าองค์คนเดียวเปลี่ยวเอ่ตาจะไรเรยย ส, สียซึ่งจยูระยะสมศับดิสิความปัจจานาจทางนี้ถึงจะทุก ปันใดก็อาจจะอดทนผู้ปายตาใดมาได้เปลนพุทธเจา้าอนุสรสมาสมบูญยานไม่มาผ่านสัพยัทาอยู่การเปลงพุทธเจา้าชั้นอริยะทดพระองค์ไม่ผ่านพระองค์จะเลียนกระดูกจะขาดไปจนชิ้นๆหนังก็ตามดังนี้อาติฐานแต่จะทำ เดี๋ยวก็มาพ้นที่ความพระองค์อธิษฐาน6กสี่ก็ได้สำเร็ จ, จแผ่นบอกพระเจ้าแผ่นดินกับบนาหวันไหวระเทียนฝ่าล้อนกองไปกลางวานสัดจะไดอ่อนใจถือโลกอวิจีนารกหายายอมพิบาลสาธุการบัดนากสาธุการหยอบประกรขึ้นสาทุสาธุทั้งเอินบาดอดลางนี้ พยามาถ่ายแสอัปรรย์ัยไปเวลานั้นฉันไดเจ้าสัตรีนัานผู้มีหน้าตาที่อันเศ้าศักแม้ยังไงแล้วก็ตามเตยมเชิงนี้ไปนา น, นจี่ว่าเราเกิดมาปราการที่จะทำว่าเติองเติานั้นสุละถ้าอยู่ในครรวิอยู่สายไม่ใช่พระ เต่ประกอได้แต่หาเวลาแล้วเิ็ดุระอันหลางต่อจะไม่ยุ่งไม่ยาตกับภรรยาหรือบุตรธิดาหรือสกุลบงสาขนยาิไม่ยุ่งลำบารเยส่วนเสือะลามเป็นบรรดาลใจเป็นกุศสมเน็จตั้งตามหรื อ, อเรียกว่าเต็มใจที่จะทำให้เต็นสักด์ได้โดยเท้จริงนนั้น การผู้ที่เป็นพิสสมมเนที่จะเอาจิตใจใสในกานรฆเธหลังความเป็นภาพประเกิดลำรอดในใสโลกาในการที่เกิดมายากนาานะักยากหนาหาความที่เป็นพระนาฏบัณแบบนี้หรือเอาอาัจฉริยะดุการะหันหรืออะไรวัตถุกรามในงินทองเงนเกลียวหรือแล้วด้ความปัญนาะแต่ มาลามอะไรประการเท อ, อกไม้โตเกียบบูชาพระระดาษตายจบจุดเล็กในการความปัจนาดมีการครังนี้หางสัก์ใจที่เศษกระดาษหรือที่ใส่แทนทองและเงินเขาทำตามกฎหมายอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของจริงของสมมติเพราะฉะนั้น ท, าท่านจะออกจากของสมมติ เป็นพระที่เท้จรปราทนาพระที่โุดพระเจ้าหรือพธิยานปัดเจตพอชิยานอาราหนสัตวาววโพธิยานหรือพอชิสัตนการที่อยู่ในการนบัดนี้เดี๋ยวจะได้ดู ญ, ญานความดีขรัตปัจจฐานที่มีผลงานเดียอจะไดมาเชื่อข่าวหรือหากินตามก็ยังชีพ ให้ผ่านเวลาวันคืนไปชักเวลาผ่านยี่นาทีนาทีเชื่อมองเข้าที่วันคืนวันคืนเข้าจปะปดาเดือนเวืยนเปลี่ยนเป็นปีเพราะฉะนั้นหลังเรออยู่ในการช่วงระยะยีนาทีนาทีจชอมองหรือวันคืน น, น, นานๆไม่ให้เสือวันคืนวันนี้วันใดก็ตามอนาคตวันหรือในการเวลาวัน หรือนาทีของร่วงนาทีตอนนั้นอันนาทีและปนาทีนี้นาทีกันนาทีนี้นาทีแต่ตัวนีนาทีนาทีชั่วโมงที่ยิ่งของความจริงการปรารถนามาปฏิหาวิเคราห์หนีจากความที่มืดมนอันตรายหรือโปรดปลดหล่องที่ทรงจะปรารถนาดีหมดจดที่ความบริสุทธิ์จิตใจเจตนาดี หาวิเ่เจะได้รับส่วนมรดกของพระผู่มีพระภาคการเจริบครบของท่านบัดนี้านการปกคื อ, องพระธรรมจะนมเลืเอดขวารเฉวขวาวงพระธรรมมานีพระธรรมจะสมมติท่านบุคคลหรือคนเปลี่ยนพระได้ก็ประทัพระธรรมเจตนาดีของบุคคลผู้วร จิตใจเหมือนดังแก้วบันิสดสดใสปัญญาวัยอาจจะรู้เหตุโผลนานๆเพราะฉะนั้นขอให้ท่านฟังหรือหวังดีบัตรุนเพื่อจะได้รับสวยงามสมดีถวายจิ้งของเรื่อทองใดๆหรือพระธาติของบทอาหารอาศีพจันลอยมาเป็นอะไรแลละก็ตาม สองพระพทเจ้าเปรียบพระพุทธเจ้าอารหาันต์เจ้าสาวว่องไหนจะใช่หรือไม่ใช่นั้นอัจฉรอยมาเป็นสิ่งอาถรรพ์เมื่อสิงเัล่านี้อาถรรพ์ทำให้จิตของท่านอาถรรพ์ธเธิดจิตนั้อจิตได้หรือเสียบประหลาดหรือตอกติดสิ่งเทวาปุถุชนครหลงมิจฉาชิตทีไม่มองเห็นรอยครรม ถึงท่านที่มองเห็นลอยคำชื่นจิตใจนึกคิดได้ก็ทันหันดังพระอรหันติพระอรหันตความพูดดังเสวจิตจาจิตของภูษิาาลายที่ต้องดีน้อมน้อมพระกนาจทสุขสุดลมหายใจเป็นส่วนใจบริสุทธิ์ผุดทองละอองสีดังทองคำธรรมชาติเลี้ยงอลราเพราะฉะนั้น ต้องให้ท่านได้สมหวังนัการบัญญัติย้ยคุณงามความดีเจ้าระพรมสืบทอดนั้นคืออายุวันสุภพอร์ตลอดกันที่จะชันชิดวันทำพระสมมาเทศสนาเกจตันเจรคีเดียนสี่แผ่นอาจจะมาถึงวันจะต่อไปไม่กี่วันเรงนี้หนึ่งวันสองวันอาจจะนั้นสุดมกครับ พระผู้มีพระภาพประชมมาแจางข่าวจุิสิทิ์นิายวันแถงเมืองคารานสีขอท่านทั้งหลายต้องได้รับความดีหมดจดในการที่ว่าอายุที่จะยาวเขาวว่ากายสวนนทที่สองใสสะอาดปราศจากในการทั่วเหตุเทศไทัยอันตรายน า, นาประการ หรือในการสิ่งที่เป็นร่วงของมารกัดหวังอยู่อะไรก็ตามที่รอยเด็ดบารมีคำสอนองค์พระพุทธเจ้านั้นอันมิเสปัดเสียมันเหล่านั้นเป็นจนในุนเทอททำให้ภนณาองสัยไรนี้จากโลกไปใคลเก็ดใกลใด ท, งทังสิ้นถูกใจชิใจนักคิดดังที่ว่าเป็นจิตพระอรหันต์ แม้พระกายกำลังดังพราลายจิตสิริขราตัวองอาจพยานสาร้าไปดังผรรมบกดังนี้เรียกพระกำลังดังที่แข็งแกร่งจิตใจแข็ง น, นัยท่อตจาอารมณ์ใดทั้งสิน้นสำรังกับภายในภายนอกเราลูกไหลหลังมาปัญญาวิเศษเสร็จต่ยิมุติธรรม ยะสุปกรณีจะไม่มีมมสียท่านผู้ฟังระบัดนี้คืออายุวณะสุขบประตลอดวันทุติส า, า, ารานเาริญเจ้า